สลของอยักกลาเป็นความปาัญหาคื อ, ครอรเรื่องหนึ่งใชนถ้าเรีนไหวถ้าจริงม่อคืนพระอาจารย์เทศถึงว่าจิตสมาธิ ส, สอนเนี่เป็นอวิชชา น, นอันนี้เพราะว่าทำสมาธิจนได้ความสุขในสมาธิแล้วิดอยู่ใช่ไหมครับติดเรื่องของสมาธิแม้แต่ปัญญากันยังไปติด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 เกิดอวิชชาโดยความมันก็ไม่ปรากฏทั้นมันอันนี้มันปกคุมไปหมดแล้วดเกิดจากนี้เองนะมันก็มหอบอะไรอี้าใจเลยมี่ความความผองใจล้าก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองเราเข้าใจว่าจิตมอเาสอนอยู่รู้ไหมแล้วมันม็นมีใจมันมีปัญหามันมันมาคุมให้เกิดมาคุมให้กิไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นดังนั้นอย่างนั้นล่ะ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 ดีๆมันเป็นอมคลักษ์อันนี้เลยมันรักษาไม่อะไรมาแกะเข้าไม่อะไรแต่เขามันตัดถึงกวอนเนี่ยมันรักษานี่ยศาสนาพระพุอนอะไรเออพระพุทธาสนาเพราว่าปัญาเป็นลายกายเป็นอมคักษ์อันนี้มันรักษามันไม่ได้ข้อทาลายพระเจ้าเอืมเนี่ยพระพุัธสอนทางภาคปฏิบัติคือคือมันแก้เข้าไปแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนมาขังถึงตัวพระสอนนี่อันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปติดตรงนั้นใช่ติดตรงนั้น วิธีที่จะทาลายเอกภพสอนนี้ผมว่ามันน่าคิดเพียวตัวง้งใจให้ก็เอ๊ะเราใช้เครื่องมือใชลักษณะยานกับอ่าอ่าาสตไทยศาสตร์นี้รื่คื อ, อนนาการสุขฐานรัตากับดูว่าให้เห็นว่าเป็นราคาตวตามมหาที่สัมมันเป็นลงหระไรเลเราเก็ดูมันก็เหมือนเราเราดูจากรรมอื่นเอง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 ที่ทำลาไปรเทศเล็งมากนั้นมันก็ยิ่งเสริมขึ้นเรืเ่อยๆความความปวกระเสริมความทุขกข์กระเสริมนีนเพราะว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นไทยความปวดต่างหากเป็นไทยมันย้อนกลับมาตนี้ ก, ก็ย้อนกลมาถึ้ว่าบผลไทยมันก็พิรความกวดท่านปสอนที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงหลงว่าจะจบที่ว่าหลังจากริาแล้วได้ิีก็ไาสอนติดกีไปสอนอะไรอย่งนี้ ถ้าจะทำลายคิดที่สามาร <atson. S 1> สอนอ น, นี้ก็ตอตองใช่ช <ster v> so ่เ <emergen> ด <ft> ียวกาที่เรากาหนดกาหนดเรื่องความโกรธนเครื่งเร่งอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไรอย่างที่ว่านะสิ่งนีดเป็นอันนจจัของหน้าตาถึงเป็นของกัดเช่นรูปอนนารจำตวของหน้าตาพิธนาเป็นตัวของหน้าตาธนาสถานวิญญาณเป็นตัวของหน้าตาทีนี่มันก็รู้เท่าหมดแล้วเพราะการพี่จราเรื่อการตวของหน้าตา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 มันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์เข้าใจไหถวายตัวเป็นลูกศิษย์วิ ช, ชาอยู่นานอืมอืมคิดดูแล้วที่นี่นี่หลที่เราเร า, ามันความต้าคกญตัวเองว่าข น, านา ว, าว่ามันลึกเสขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสมวงไปรักษาอย่างไงมันต้อคัอย่างมากกว่นั้นเลยถองทั้งที่เราว่าอันนี้สนนาคัญมากพอปัญญากาหนดเขาไปที่เขาไปอันนี้สละเขาไปอันนั่นขึ้นมาแล้วถึงเห็นข้อแล้วโอ้ห โ, หโหนี่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 อาควากันลงไปนั่นแหละเป็นทางทางเดิมที่เป็นเป็นมักทางแก้ที่เด็ดพูดเองง่ายผมแต่จิตประพันธอนนี้อาจจะหลงได้ขอไม่สงงใจตั้งหลงมากนั่นเลยไม่จะพูดอย่างอื่นแล้วมันไม่ถนัดใจว่าต้องหลงมั่นเลยอืมตั้งหลงนอกจากจะได้รับันแนะนําจากครูอาจารย์ไปแล้ว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 ให้กีนของเราหนีเศ่้าเนี่ยนจะต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นมานี่ราละเอีย ด, ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกตามขั้นังมันการขั้นละเอียดเวทนาใแยกันไม่ออกสามกษัตริย์เนี่ยในแยกออกนายเรา ส, ารสั์ทุกเวนาขึ้นมากันวามันเหยียยวไที หมอแล้วมันเหี่ยบอทุเอาทุกขเาทุกข์เตนายิ่งเยมาอันตอนนี้ยิ่งทั้งพันทาให้เพิ่มไปเลย ม, มันเหี่ยบแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยนะอากันยิ่ขาไสุดเจตนาก็มาอี ก, นนอ ย, อกนนยิ่งหลับไปเลยเอาไป็ขั้นๆย่นี้นะเข้าใจไหมอืมเปนคันเนี้ยพอสุดเจตนาก็ยิ่งหลับไปเลยที่ยไม่ยอมสลัด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 แต่มันมันรู้มันพอรู้เยอะก็แกงมันได้มีทางแกงมันไปได้ที่นั่นอ๋อหนูก็เข้าใจได้หรือเวทนานออะหมาว่าตาเวทนาแด้ในหมายมวาคิดเปเวทนาอะไรแต่ย้ายวัชชินาที เวทนากรรมงันนีนลักษณะภายในกายมากเวทนาในเวทนานอกใจพุทธญาตอธิบายเรื่องเวทนานอกเขาจะอธิบายเรื่องการบริยะตอธิบายาเวทนาเขาดีมันขัดกันทีกับหลักปฏิบัติมันจะคุ้มครองนะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเวทนานากอกมาถึงการเวทนานนว่างอิง น, นะในข้าขวปฏิบัตินะ เจตนาในในี้หมายถึงกิจวัานาแหละนัะ่นาไม่นะไปที่อแล้วมันก็ถูกการสุบที่จะแก้ด้วยใช่ไหมทานาคนอื่นปรุ่งเรื่เขาอะไรนี่คนนั้นท่านลองเดียกันแล้ว่าเอฮิปริโกท่านจามาดูธรรมของจริงให้เขามาดูอะไรนี่เนี่ยงั้นัดกันอย่างนี้เชื้อที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดการภาคนฏภาคปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่เราจะไม่เราพูดได้ยังไงเราต้องพูดว่ามันเอื เอไอบาติโกท่านต้องมาดูเรียกเขาเขามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเขาจะเอาคอนใส่นอกขากไปเลยขาไม่รู้เรรู้ราวเช่นเรียกไอสุนทรขันมาดูแล้วลท่านจะโยนข้ามมันมันดูเรียกเขามาดูทํานี่เดี๋ยวมันกาดหัวเอาอ ค, คนที่ใจมันหยาบ อ, อย่างนั้นนีใช่ไหมนี่ไอบาติโกท่านไม่ได้หมายงั้นไอบาติโกมันท้าทายท่านอยู่นี่นาะท่านจงดูนี่นาะว่าังว่างงั้นต่างห่างนี่นนคือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงนี่นี่นาความจริงมันท้าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูคงนี่น่ะว่างั้นต่างหาง นี S <S. <S. ่หลักปจิบันเป็นอย่างนั้นนะคุณหญิงถ้าถูกผก็แล้วที่น่าเอยไอเจ้กนจะไปหาเราเาอกเมาเี๋วจะเป็นอาจารย์ฉิมได้ไปเราสายบาดแล้วใก้ไกล้สำเร็จแล้วยังอ๋ออนี่อยําคาญแล้วก็สาเร็จแล้วคออยู่ที่ไหนก็สเร็จแล้วไปไม่ได้เทศเลยวันทวันไหนเขาเช้าอะเขาบ้ายังไม่สาเร็จเข้าไปแล้วเขาทำข้าวเขาเข้าไปแล้วนะเทศอนทานาสภายบาทนั่นเพิ่งจะเพี้ยงก็ไม่ได้ถนัดมนี่ไอ้จะากนแบบนี้ลำแบบเขาบ้าดีหนอ เส้นเขาเห็นนี้หมดเขามองเห็นมานั่นนั่นเดี๋ยวเยวจะเข้ามาด้านข้างให้คือท่านจะกวัที่ทัาโูเหตเป็นตรคมาเรียซึ่งพอหายจากปวด น, น, นั่นนักแล้วมันมก็มาเป็นเรื่องหลังจะเป็นแบบนั้นแต่ทาการศินป์เราเนี่ยย <c oughs> ินสบายไม่ได้กลับบ้าได้ง่ายแล้วไม่ไกลับง่ายๆครับประเทศสอนก็อยู่ตามถนนนู้นทางที่ไหนก็ดารมองเห็นฉั น, นเล ย, นะออเยแล้วยังคืออาตมาน่งสเร็จแล้วคุยง่ายแ้อาตมานึ่งสำเร็จแล้ว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 เนี่ยคือว่ากายในกายนอกรอกคือสรื่วนกายในกายนอกเราจะพิจารณาคนอื่นแล้วก็พราะพิจารณาได้เพราะว่าส่วนเรืยองกายในกายนอกนี่หมายถึงกายจิตแค่ทางท้าปฏิบัติเองแคู่่แง่นึงนะอันนี้กายในกายนอกเนี่ยเราได้ปรากฏได้ในเรากายนอกนี่หมายถึงการอย่างมีพิจารณามีคลอยมันแก้มือแล้วมันมีอันนึงเป็นภาพหนึ่งอยู่ภายในจิตมันจะมันมาพิจารณาภายในจิตอยู่เป็นภาพนี้อยู่ทั้งหลาเราพิจารณาไปงั่นนะ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 กูราบ้านข้างในมีจิตแค่นว่างไปหมดคือจิตนี้เองเป็นผู้ว่างอันนั้นเขาก็มีอันนั้นแหละจะว่าว่างเขาว่างือไม่ว่างไม่มีปัญหาอะไรไอ้ตัวเองนี่ยหปัญหาเรื่องของเขาเขาเป็นไงเาเนี้ยงว่างนี่ว่างแล้วทีนี้เอาอีกนะจรเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่เราไม่ว่างหมดเขาก็ว่างหมดอืมเขาหมือนกับคนที่ขึ้นไปอยู่บนัตอน ถ้าอย่าลืาก่อนมองที่เหนืก็ว่างหมดว่างหมดไอ้คงนี่มันไม่ว่างไงคงขึ้นนี่มันไม่ว่างนี่นี่จะว่างอะไรเราอยู่กับหัวตรอระ้บียบบนหัวตอนี่มองไงอะไรก็เมยมีไม่มีนี่หัวตรอนี้ทาไมไม่มีแต่ตาเราไม่ได้เข้ามานีใช่ไหมล่ะมันจะนุ่มเนี่ยคิดแล้วรู้ออกนอกมันเลยรู้ตัวเองท้ายนอกมันว่างจริงแต่ตัวเองเน่ไม่ว่างตัวเองนี่แหละที่ติดเร่ชา เลยใช่ไหว่างเลยพาบรรยอนเข้ามาตรงนี้ภาพเปิดตังหมดเลยง่ายหมดปัญหาได้ว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาล้วก็ว้องกันหมดภายในก็หมดทาหน้าก็หมดนง่ายมันเคยยกข้อเปลี่ยอะไรต่ า, างนั้นได้หรือว่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขนน้องของให้หม ด, ขข อ, อ, หหมดอ่าไปดู ห้องหมดแล้วเอาไปดูใหห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างไหมปุ๊กบก็ไปยืนมีการห้องมองว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่างกินของห้องอยู่นั่นหนักมันว่างอะไรเนี่ยท่านยึดของห้องนั้นท่านอยากให้ว่างห้องว่างท่านออกมาที่พอออกมาปุ๊บห้องว่างนะก็คือามายี่นี่นะอะไรอะไรมันว่างหมดไอตัวจิตไม่ว่างตัวเองนั่นคุณง่ายๆตำรวจเขามาที่นี่อพี่ถ อ, อนคนนี้ออก อ, ก อ, อนุสิ ความถือจิตว่าเป็นตนมีอ่างนี้อันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนนตนกระทแต่นี่มันถือเป็นตนมีอนอมาให้เอกมันหมดมันว่างที่นีอยู่ไหนมันว่างารจะของว่างนะถ้าจของว่างอยู่ไหนไม่ไม่ว่างมันยุงอย่งนันแหละ่บ้นมากคนน้อยดำสิ่งยงใหญยมี